ก็เพิ่งตั้งใจกันสำรวมใจของตนให้ดีเรามาชุมนมกันในที่นี้ความมุ่งหวังเพื่อมาฝึ ก, กจิตดวงเดียวนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรฝึ ก, กจิตดวงนี้ให้ดีแล้วก็ดีไปหมดทุกอย่างเลย ดีไปหมดทีเดียวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มีจิตดรงนี้เป็นผู้บัญชาการแบบัดนี้จิตใจที่ได้ฝึกผลอบรมมาโดยลำดับมันก็สมควรที่จะเห็น ความเป็นอยู่ในโลกนี่เต็มไปด้วยความยากความลำบากเต็มไปด้วยความผิดหวังมันก็ควรจะมองเห็นอย่างนั้นเพราะว่าความจริงมันมีอยู่อย่างนั้นแล้วแต่บางคนก็อาจจะประมาทไป ไม่ทำจริงไม่ทำใจให้สงบเช่นนี้มันก็ไม่เห็นและไม่เห็นโทษเห็นภัยในสงสารเพราะตัณหามันหลอกล่อให้เพลิดเพลินให้ยินดีในสิ่งที่โลกสมมุติว่าสวยว่างาม มันเป็นธรรมดายนั่นบุคคลผู้มีใจไม่สงบแล้วก็ย่อมลหลงไหลไปตามสมมุติปัญญัติของโลกอยู่อย่างนั้น <c oughs> เพราะโลกนี้มันเป็นโ ล, โลกสมมุติหมู่มนุษย์สมมุติกันเองไม่มีใครมาสมมุติให้ เมื่อสมมุติขึ้นมาแล้วก็มาหลงอยู่ในสมมุตินี้หลงเสฉยก็ยังชั่วหน่อยนะอันนี้มันหลงไปทําบาปทําความชั่วนั่นสินั่นแหละมันร้ายแรงมันทําให้ประสบกับความทุกข์อย่างร้ายแรงขึ้นเชื่อว่าหลงแล้วก็ยังว่าเลยมันก็ เดินทางผิดแหละคำว่าหลงนี่นะเหมือนอย่างคนเดินทางไปในป่าวันนี้ก็หลงทิศทางที่จะออกมาสู่จุดหมายปลายทางก็ง่วงอยู่ในดงนั่นวนไปเวียนมาอยู่ของเก่านั่นถ้าไม่มีผู้ชี้บอก ก็เลยจะหลงอยู่อย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยจิตใจของบุคคลเรานี่ถ้าปล่อยให้มันหลงมันเมาไปแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้วนไปเวียนมาอของเขา่เาหมุนไปตามความรัก ท่านไปไปละนอนหนึ่งมันวนหมุนมาหาความชังเดียวก็หมุนไปหาความเศร้าโศกเสียใจมันหมุนไปเวียนมาอยู่ในวงจรของกิเลสต่างๆเหล่านี้หาทางออกไม่ได้เลยเนี่ยบางคน หาทางออกไม่ได้หลายกลุ่มใจมากเพราะพรายิ่งหลงไปเท่าไหรก็ยิ่งเดือดร้อนยิ่งคับแคนใจไปเท่านั้นผลสุดท้ายก็ลงฆ่าตัวตายมันหาทางออกไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนนะ่ะให้พึ่งระมัดระวังให้มากๆอย่าให้มันหลงถลําไปจนลึกเข้าไป จนถอนตัวไม่ออกแล้วอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำอั ต, ตวินิบาตํำตัวเองไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลยกิเลตันหามันก็ไม่ใช่ว่ามันมีตัวมีตนหรือมี ถิ่นที่อยู่ที่อื่นแล้วมันเลื่อนลอยมาสวมเอาจิตใจของคนอย่างนั้นไม่ใช่หรอกไม่ใช่อย่างนั้นกิเลสตัณหาสารพัด ต, ต, ต่างๆวมนีจิตนี่เป็นผู้สร้างขึ้นทั้งนั้นเลยเอา อวิชชาความไม่รู้อย่างนี้นะก็จิตตรงนี้แหละมันไม่รู้นะออตั้งแต่เบื้องต้นนจนมา อ, อมันไม่รู้มันไม่รู้จากทุกมันก็จึงต้องทนทุกทรมานอยู่กับทุกนั้นออมันไม่รู้จากเหตุให้เกิดทุกมันก็จึงสะสมเหตุแห่งทุกนั้นให้มากขึ้นเรื่อยๆไป เช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้นะเมื่อมันไม่รู้จักว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้มันก็สะสมตัณหาในให้มากขึ้นในใจเลยไปอย่างนั้นนะ <c oughs> เมื่ออยากได้อันใดแล้วก็อยากอยู่นั่นแหละไม่มีทางหยุดยั้งความอยากอ น, นั้นได้เลย ถ้ามันอยากมากๆเข้าแล้วหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องไปหาเอาในทางทุจริตเพราะว่าความอยากมันท่วมท้นหัวใจแล้วทำยังไงได้าบาปก็บาปบุญก็บุญไปติดคุกติดตารางก็ติดไปนู่นความอยากถ้าปล่อยมันท่วมท้นจิตใจนี่นมากๆเข้าไปแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเน่ ดังนั้นน่ะมันก็ควรจะรู้จะทำไม่รู้ไม่ชี้มันก็ไม่สมควรเลยในเมื่อเราเป็นชาวพุทธแท้ๆ แ, แล้วก็ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้ามาโดยลำดับอย่างนี้นะทำไมจะไม่รู้ว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เว้นเสียแต่บุคคลนั้นไม่ใส่ใจเท่านั้นแหละ รู้อยู่แต่ท้งไม่อยากจะละมันอย่างนี้มีทมไปในโลกอันนี้นะ <c oughs> ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วก็เพราะเพราะไม่เห็นโทษของตัณหานั่นเองเนี่ยเหตุนั้นจึงไม่ต้องการจะละมันเห็นว่ามันอำนวยความสุขให้ มันอำนวยความสนุกสานานให้วามล่าเริงบันเทิงใจเมื่อได้เห็นรูปสวยๆงามๆได้ฟังเสียงอันไพเราะได้สูดกลิ่นอันหอมหวนได้รับรสอันอร่อยก็ดีได้สัมผัส ถูกต้องร่างกายอ่อนนุ่มนิ่มก็ดีได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีหรือหลายอย่างก็ดีแล้วก็ทำให้ใจนี่เพลิดเพลินคึกขนองไปต่างๆนานา ทางนี้ก็เพราะไม่รู้แจ้งอย่างว่านั้นแหละถ้ารู้แจ้งแล้วมันก็ไม่คึกขนองเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวนี้มันก็รวนจั้งแต่อาศัยรูปกายอันนี้ให้เกิดขึ้นก็เมื่อมีตาเนี่ยมันจึงมองเห็นรูปได้ถ้าไม่มีตาอย่างนี้มันจะไม่มองเห็นรูปนั้นได้อย่างไรอะ่ะนี่ก็เพราะมีหู มันก็จึงได้ยินเสียงต่างๆอถ้าไม่มีหูเราก็ไม่ได้ยินแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะมีจมูกก็จึงได้รู้กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเพราะมีลิ้นก็จึงได้รู้รสอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะมีร่างกายอันนี้มันก็จึงได้มีสัมผัสมีการกระทบถูกต้อง นี่แหละมันมันอาศัยทั้งภายในทั้งภายนอกกระทบกันเข้ามันถึงได้เกิดเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาขึ้นมาเป็นตัณหาขึ้นมาแบบนี้นะเมื่อมันไม่รู้เท่าก็เกิดความอยากขึ้นมาเลยเป็นอย่างไนทีนี้ถ้าูุที่ได้ ภาวนาสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อ ย, ยู่ทั้งกลางวันหรือกลางคืนอย่างนี้นะแล้วก็เจริญปัญญาเห็นความเกิดความดับของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างนั้นนะเมื่อได้สัมผัสหรือได้กระทบกับรูปเสียงเป็นต้นดังกล่ามานั้นจิตมันก็ไม่วันไหวไม่ตื่นเต้น กับอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ตัณหามันก็เกิดไม่ได้นั่นแหลตัณหาก็เกิดไม่ได้นี่ทางดับตัณหาอือก็มาดับตรงที่จิตไม่อยากนี่เองเนะี่ยจิตมีปัญญาเห็นแจ้งว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่จรังยั่งยืน เป็นของแตกของดับไม่ทราบว่าจะไปยินดีพอใจไปทำไมเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างว่านี้แล้วมันก็หายอยากหายหิวเมื่อมันหายอยากไปทุกทางใจมันก็ไม่เกิดขึ้นจิตก็เป็นปกติอยู่ อย่างนี้นะ่ะจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักที่ดับทุกมาดับที่จิตนี้เองฮะไม่ใช่ดับที่อื่นผู้ใดควบคุมจิตตัวเองได้ห้ามจิตตัวเองได้สอนจิตตัวเองได้มันก็เอาชนะกิเลสต่างๆได้เท่านั้นเองนะแต่คนส่วนมากนั้นห้ามจิตตัวเองไม่ได้ และก็ไม่มีอุบายที่จะมาสอนจิตนี้ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นนะจิตนี้เมื่อไม่มีอุบายปัญญามาสอนเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่เชื่อนั่นแหละถ้าอุบายปัญญาเกิดขึ้นในจิตนี้แล้ว เห็นแจ้งประจักษ์แล้วมันก็เชื่อวันนี้นะ <Okay. S 2> เมื่อมันเชื่อว่าถ้าหากว่าหลงยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงนี้ไว้ก็ย่อมมีแต่ทุกข์เปล่าๆถ้าไม่ยึดถือไว้แล้วอย่างนี้จิตใจก็ไม่ผินทุกข์ไม่เดือดร้อน <Yeah. S 2> แตรองนั้นแล้วก็มีอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีก้องขวางอะไร การที่บุคคลจะมาละเหตุแห่งทุกข์ก็มาพิจารณาให้รู้เท่าตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็รู้เท่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่ายินดีก็มีที่น่ายินร้ายก็มีก็รู้ทั้งสองอย่างเลย ยินดีก็ไม่ยินดียินร้ายก็ไม่ยินร้ายเพราะเหตุว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเรามันเกิดเองมันก็แรปรปรวนไปเองของมันแล้วถึงเวลามันก็แตกดับไปตามเรื่องของมันเองไม่มีใครไปทำให้มันแตกมันดับมันเป็นไปเองของมัน เมื่อจิตมาเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้แล้วจิตนี่มันก็เป็นกลางอยู่ได้แบบ น, นี้นั่นนี่มันก็เป็นกลางต่อสภาวธรรมสภาวธาตุต่างๆเหล่านั้นอยู่ได้เมื่อจิตเป็นกลางได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังอยู่กลางๆนะอย่างนี้มันก็ไม่มีที่ติด เรื่องมันนะเมื่อไม่มีที่ติดแล้วก็ไม่มีที่เกิดอนนะไอ้ที่มันมันมีที่เกิดอยู่นั้นเพราะมันมีที่ติดเพราะจิตใจไปติดอยู่กับสิ่งนั้นๆอ้สิ่งนั้นนั้นมันก็ น, นำไปเกิดแล้วก็ได้สิ่งนั้นนั้นตามที่ต้องการเมื่อได้มาแล้ว ของเหล่านั้นมันไม่เที่ยงก็แปรปวนไปก็เป็นทุกไปอยู่อย่างนั้นแหละจิตที่ไม่รู้แจ้งนะจิตที่รู้แจ้งแล้วมันเห็นอะไรก็สั ก, กว่าแต่เห็นได้ยินเสียงอะไรก็สั ก, กว่าแต่ได้ยินเนี่ยได้สูดกลิ่นอะไรก็ดีได้ลิ้มรสอาหารอะไรก็ดีได้สัมผัสถูกต้อง ย็นรอนออนแข็งอะไรก็ดีแล้วก็สักแต่ว่าเฉยๆนี่สักแต่ว่าได้ถูกต้องสักแต่ว่าได้เห็นสักแต่ว่าได้ยินมันไม่มีความหมายอะไรหมายความว่ามันไม่ได้เกิดความยินดียินร้ายอะไรอไรต่อสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเป็นต้นนั้นทั้งนี้ก็เพราะมันเห็นเป็น สภ า, าสวะาสวธรรมไปเฉยๆมันไม่ได้เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลดังนั้นมันจิตมันจึงไม่เอียงไปข้างโน้นข้างนี้อะไรเช่นนี้แหละมันก็จึงพ้นทุกข์ไปได้จิตมาฝึกฝนอบรมจิตให้ลงอย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้ให้รู้ขึ้นมาอย่างนี้ อย่างนี้นะมันจึงพอมองเห็นทางพ้นทุกได้เห็นทางดับทุกได้ก็รู้ได้เลยว่าอ๋อดับทุกนี่มันดับตรงนี้ไปดับที่อื่นมันไม่ได้หรอกนั่นแหละดับที่ไหนดับที่จิตนั่นแหละดับความไม่รู้ออกไปให้ความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาแทน นี่เมื่อความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาแทนแล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรต่ออะไรทุกอย่างดังนั้นเมื่อสังขาร น, นามโวันี้แตกกับทำลายลงไปแล้วจิตดวงนี้ถึงไม่มีที่เกิดมานิณานั่นแะนนนะเพราะมันไม่ติดอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ไปเกิดในที่นั้นเลยไม่ติดอยู่ที่ไหนอะ โลกนี่ก็ไม่ติดโลกหน้าก็ไม่ติดอะไรพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่คล้องอยู่ดวงดาวก็ไม่ติดไม่คล้องอย่านี้นะอากาศก็ไม่ติดไม่คล้องวิญญาณก็ไม่ติดไม่คล้องมันเป็นงั้นก็เมื่อมันไม่คล้องอย่างนั้นแล้วมันจะมีที่ตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีนั่นแหละ มันก็เป็นอมตะธรรมอยู่โดยลำพังนั่นแหละเป็นธรรมชนิดหนึ่งไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งธรรมที่ว่าอมตะธรรมนี่นะนันีหไม่ไม่มีปัจจัยปรุงแตง่งให้พึ่งเข้าใจจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่ จุดมุ่งหมายอันสุดท้ายก็ตรงนั้นเองนะให้เพึ่งเข้าใจกันแล้วเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปฝึกข้นอบรมจิตไปก็พยายามปรับปุงจิตใจในลงให้เป็นกลางลงไปแม้มันจะเป็นกลางอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งก็เอาถ้าเพล่เพลแล้วมันพลิกไปพอรู้ตัวแล้วเราก็พยายาม กำหนดละสิ่งที่ใจมันหลงยึดหลงถือนั่นเสียเมื่อมันละได้จริงจิตมันก็เป็นกลางไปตามเดิมก็ต้องภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าละครั้งหนึ่งแล้วมันเล้วไปเลยมันไม่กลับมาให้หลงอีกอย่างนี้ อันนั้นท่านเรียกว่าละกิเลสด้วยสมุทเฉทประหารด้วยอานาจแห่งอริยมรรตขาดไปเลยอันนั้นมันก็ไม่เกิดอีกจริงนแต่ถ้าไม่ถึงสมุิเฉทประหารอย่างนั้นแล้วมันเป็นเพียงตัทังขประหารวิขมพนะปหารคือเช่นอย่างว่าทำจิตให้ส ง, งบไปได้ ช่วระยะหนึ่งอย่างนี้นะมันมันก็เรียกว่ามันก็สงบลงไปได้ช่วระยะหนึ่งจิตใจมสงบจากกิเลส น, น, นะนะท่านหมายเอาสมาธิเอาฌานคําว่าวิขัมภนะปะหารนี่นะหรือวิขัมภนะวิมุตตินี่นะหลุดพ้นไปด้วยอํานาจแห่งฌาน ทีนี้ขั้นพอชาญนั้นเสริมเอา้ามันก็กลับมายึดถืออีกแล้วนี่มันเป็นอย่างน้นเรื่องมันนะตะทางควิมุตคือหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งการละคือว่าละอารมณ์ต่างๆระงับออกไปจากกิจใจได้ชั่วระยะหนึ่งอันนี้ท่านก็ว่า ควาหลุดพ้นเหมือนกันนะแต่ว่าพ้นไปชั่วคราวหนึ่งนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจแม้ว่ามันจะหลุดพ้นไปชั่วคราวก็เอาดีกว่ามันไม่หลุดพ้นเสียเลยการที่เราทําใจให้สงบลงไปได้ชั่วระยะหนึ่งนี่นะเนี่ยท่านเรียกว่าอตรังควบิมุตคือมันหลุดพ้นไปชั่วระยะหนึ่ง ด้วยอํานาจแห่งสมาธิคั้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาเอา้ากิเลสมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วแต่มันก็คงอย่าบเบาบางไปกลัวเกาไม่ไม่หนาแน่นเหมือนแต่ก่อนแต่มันก็ไม่ขาดเสื่องมันนะส่วนวิขมรารวิมุตตินี่นว่าหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งฌานอันนั้น ท่านผู้เข้าถึงฌานสมาบัติได้อย่างนี้จิตของท่านก็นหลุดพ้นจากกิเลสไปชั่วระยะหนึ่งอันนี้เรียกว่าระยะนานสมควรมันก็ต้องพยายามให้จิตนี้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่ไปเป็นขั้นเป็นขั้นไปอย่างนี้ไปก่อนและผู้ปฏิบัติทมในพุทธศาสนานี่นะเราจะมุ่งหวังว่าให้ละ สีเดียวเลยให้มันหลุดพ้นไปโดประการทั้งปวงอย่างนี้อินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าเต็มที่นะมันหลุดไม่ได้มันยังหลุดพ้นไปไม่ได้เหมือนอย่างบุคคลเมตัดกิ่งไม้ออกจากต้นของมันอย่างนี้นะตัดไปตัดไปแต่ไปแล้วอ่อนกําลังลงเลยกําลังไม่เพียงพอจะไปตัดให้มันหมดมันไม่ได้ทนะ่านนี้ มันก็ต้องปล่อยมันไว้ก่อนเนะ่ยต้องไปบำรุงกำลังให้แข็งแรงขึ้นมาแล้วก็จึงค่อยไปตัดมันไหมเมื่อเทียนพยายามบำรุงกำลังเรื่อยไปอย่างนี้แนหะไม่ท้อไม่ถอยเอาการตัดกิ่งไม้นั้นมันก็หมดไปได้วันหนึ่งให้ได้ทีเดียวอันนี้ฉันได้ก็อย่างนั้นเลย การที่เราเพียรพยายามละทิเลตต่างๆให้มันระงับดับไปจากจิตใจนี่ก็มันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วเอาจิตมันถอนออกจากสมาธิมาอย่างนี้นะก็มาใช้ปัญญาพิจารณา เมื่อปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงอย่างไรแล้วก็ปล่อยวางท่านปล่อยวางได้จริงจิตมันก็รวมลงเป็นอย่างนั้นถ้าจิตมันรวมลงมันไม่ยอมถอนอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิมันมากเกินไปก็ต้องพยายามเจริญปัญญาขัดคิดขัดวิจาร ในเหตุผลต่างๆไปให้ปัญญามันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเห็นแจ้งสิ่งใดตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางมไม่ใช่เราพิจารณาเอานะทุกสิ่งทุกอย่างนะพิจารณาเพื่อให้มันเห็นแจ้งให้มันหายสงสัยแล้วมันจะไม่ยึดไม่ถือ เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตัวของตนความหมายนีน่แหละเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งแล้วก็วางไว้ตามสภาพของมันมันเป็นอยู่ไงก็วางไว้ตามสภาพสภาพอย่างนั้นจิตก็ไม่สงสัยแบบนี้นะอันนี้แหลท่านจึงเรียกว่ามัชสิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมา ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ไม่ควรที่จะท้อใจว่าเรานั้นไม่มีความสามารถจะทำใจให้สงบได้อย่างที่ผูท่านผู้แสดงแสดงไปแล้วก็ไม่ปรารถนาจะขวนขวายทาสมาธิภาวนาเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่สมควรจะไปเห็นอย่างนั้น ก็เมื่อเราไม่ลงมือทำเนะี่ยจะให้มันตั้งมั่นได้อย่างไรจิตเนี่ยข อ, องปล่อยให้มันลอยไปตามกระแสของโลกอื่างนั้นมันจิตั้งมั่นได้ยังไงอ่ะการที่จิตจะตั้งมั่นได้ก็เพราะมีสติควบคุมให้มันตั้งอยู่ในปัจจุบันนั่นมาให้มันส่งคิดไปในอดีตอนาคตต่างๆนี่นะนั่นแหะเราควบคุมจิตเพ่งจิตตัวงนี้ให้มัน ตั้งลงในปัจจุบันนั้นเสมอเสมอไปเมื่อเราฝึกไปอย่างนี้ไม่ท้อถอยอ่ะสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็สามารถควบคุมจิตตรงนี้ให้สงบให้นิ่งอยู่ได้นานมันเป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับความอดความเพียร น, นี่เองแหละการทำอะไรนะความจริงข้อปฏิบัตินี่มันก็ของเก่านี่แหละไม่ใช่ ของใหม่อะไรเราลือฟื้นเอาของเก่านี่นะมาเล่าสู่กันฟังเพื่อกันลืมบางคนก็สงสัยเมื่อทำภาวนาไปแล้วจิตไม่เป็นไปให้คือไม่รวมไม่สงบลงอย่างนี้ก็เลยสงสัยว่าการที่เราทำภาวนานี่เห็นจะไม่ถูกทางแล้วกัมัง้งทำไหมใจมันถึงไม่รวมไม่สงบลง ก็เกิดสงสัยขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วทำให้ทอ้อใจนี่แหละให้พึ่งเข้าใจบางคนก็มีนิสัยที่เรียกว่าต้องอาศัยปัญญาเดินหน้ามันจึงเป็นไปแต่บางคนก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานของกิดนี่ก็จึงค่อยเจริญปัญญาไปได้ นี่นะจริตนิสัยคนเราไม่เหมือนกันบางคนเพียงแต่ทำจิตใ้ตั้งมั่นพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็เจริญปัญญาไปเลยก็พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสรรพสิ่งทั้งปวงทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยแต่องพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว มันก็สามารถละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้เหมือนกันดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้